เพราะว่าเราได้พัฒนาสุตมยปัญญาด้วยการเจริญจิตามยปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมอสลับกับการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็หยุดพิจารณาทำใจให้สงบมหมายความว่าเวลาจิตรวมแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาแต่เวลาที่ยังไม่สงบเราก็พิจารณาไป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 และเวลาเข้าห้องสอบครั้งต่อไปก็จะทำข้อสอบได้นี่คือปัญญา3มระดับซึ่งเหมือนกับทางโลกทางโลกก็เวลาเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือก็เรียกว่าจเจริญสุตมะยปัญญาพอกลับบ้านก็ต้องทำการบ้านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียน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 เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะได้มีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามาย์ปัญญามาดับความทุกข์ได้ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังถือว่าปัญญายัางไม่ใช่เป็นภาวนามายปัญญาเป็นจินตามายปัญญาอยู่ก็ต้องพยายามเจริญให้มากเจริญจนกระทั่ง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 แต่สิ่งที่ไม่มีก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่ดับด้วยภาวนามยปัญญานี่ก่อนที่เราจะก้าวถึงภาวนามยปัญญาได้เราก็ต้องผ่านสุตตะมยปัญญามาก่อนก่อนที่ไม่ฟังเทศฟังถามนี้จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตาย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 การที่เราไปหาธรรมะก็เพื่อที่จะไปหายาธรรมะคือธรรมะโอสถนี่เองยารักษาโรคใจไม่ใช่ไปหาขนมนมเนยมารับประทานกันคนที่เข้าวัดเราต้องการฟังเทศแบบหวานหวานนี่ก็จะไม่ได้ธรรมะเวลามาฟังเทศแบบขมๆก็รับไม่ได้ บางคนพอมาฟังเทศว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เปิดเลยไม่กลับมาเลยฟังหนเดียวแล้วก็บายบายเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรเขาเกลี่ยว่าธรรมะเป็นขนมหวานฟังแล้วทำให้เขาสดชื่นเบิกบานแต่ความจริงฟังแล้วต้องทำให้เขาคิดหนักคิดเพื่อที่เขาจะได้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 แล้ยิ่งถ้าต้องไปขวนขวายไปวิ่งเต้นไปเสียทรัพยากรต่างๆก็ไปทำมันให้เสียเวลาทาไมสู้มาเตรียมตัวรับกับความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าที่ของจินตามายปัญญาอันนี้เราเป็นงานที่พวกเราทำกันเป็นประจาเรียกว่างานภาวนา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 มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนพ้ะอาทิตย์ขึ้นพ้ะอาทิตย์ตกมันเป็นเรื่องปกติแต่พวกเรานี้พอพระอาทิตย์ตกนี่วุ่นวายกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายกันพอร่างกายของใครตายขึ้นมาทนนั้งหมนี้วุ่นวายกันไปหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เจริญปัญญา คือทำที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเช้านี้ก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วทำไม่เราทาไม่หายได้งไงบอกให้เมตตาเราก็เมตตาอยู่แล้วอ่ะแต่ความเมตตาไม่ได้ไปรักษาโรคภายแค่เจ็บได้โรคภายแค่เจ็บก็ต้องใช้ยาใช้หมอใช้โรงพยาบาล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 รู้ข้อสอบล่วงหน้าก่อนแล้วก็เพียงแต่คอยท่องจาข้อสอบคำตอบของข้อสอบเหล่านั้นคือก็ต้องไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบอันไหนเพียงแต่อาศัยดูข้อสอบเก่าๆที่เขาให้สอบมาแล้วเตรียมตัวไว้เพื่อให้พร้อมที่จะรับกับข้อสอบที่เขาจะออกมาใหม่ไม่ใช่ไปแอบดูข้อสอบแล้วก็เพียงแต่มาท่องจำว่าข้อ ข้อที่หนึ่งคือกอข้อที่สอ ง, อสองเป็นขอแล้วก็อย่างนี้มันก็แบบว่าไม่ได้ความรู้ที่เขาสอบนี้เขาต้องการทดสอบดูความรู้ของเราว่าเรามีความรู้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับการแต่ความจริงของความแก่ความเจ็บความตายนี้เราโกงข้อสอบไม่ได้ข้อสอบนี้เรารู้กันอยู่ทุกคนว่ามันจะต้องออกมาแน่ๆ ความแก่มันต้องออกมาแน่แนความเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องออกมาแน่แนความตายมันต้องออกมาแน่แนเราจะทำใจได้หรือเปล่าทำใจไม่ให้ทุกข์ได้หรือเปล่าการจะทำใจไม่ให้ทุกข์ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือภาวนามย์ปัญญาที่จะต้องเกิดจากการเจริญจินตามย์ปัญญาจินตามย์ปัญญานี้ก็หมายถึง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 เป็นสมาธิได้ถ้ามีสมาธิจิตเป็นอัปปนาเป็นอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาความรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟพอเจอความจริงปัญญาก็จะสอนให้ใจปล่อยได้เพราะถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์มันจะเห็นตรงนั้นตอนนั้นมันจะต้องเลือกว่าจะ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 เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เรียกว่าวิภาวตัญหาหรือการมะตัญหาคือความอยากในรูปเสียงกิริลดพจน์ภาถ้าเรามีการมัตัญหาก็แสดงว่าเรายังอยากจะมีร่างกายอยู่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 และเป็นความสุขที่ถาวรด้วยจะอยู่กับใจเพราะใจสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาอันนี้ต้องตัดตันหาทั้งสมเสียกามตันหาภาวะตันหากามตันหาก็คืออยากจะหาความสุขทางร่างกายภาะวาะตันหาก็อยากจะหาความยิ่งใหญ่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีหน้ามีตาผ่านทางร่างกาย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 นี่ก็คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการดับตัณหาเหล่านี้ด้วยการเจริญเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเจริญอสุภะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นธรรมขั้นสูงต่อจากขั้นโสดาบันอยากขั้นโสดาบันเราก็ต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่าเรายังมีกามตัณหาคือกามราคะเรายังอยากจะ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 เพราะว่าถ้าเรามีการมาลรมเราก็ต้องมีแฟนมีคู่ครองมีเพื่อนนอนเวลาไม่มีเพื่อนนอนก็มีความเหงามีเศร้าความเศร้าส้อยงอยหเหงาว่าเวมีความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการมาลรมก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภกรรมาฐานอยู่เรื่อยๆจะดูอาการสาสิบสองก็ได้จะดู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 ก็เป็นหมือนกับเหมือกับขั้นต้นตอนต้นเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพอเราไม่มีปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อก็เป็นจินตามวิญญาณญาไปก่อนพิจารณานึกถึงอาการ32ถ้าไม่รู้ว่ามีเป็นลักษณะอย่างไรก็ไปเปิดดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็ได้นะ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 เวลาได้มันก็จะมันก็จะทำให้การอารมณ์น้อยเบาลงไปเวลาไม่ได้การอารมณ์มันก็เกิดขึ้นมาได้อยู่เรียกว่ายังเบื่อเบื่ออยากอยากอยกูอย่ในคั้นนี้ท่านพระสกีดาคามีก็คือการทําให้การมการอารมณ์นี้เบาบางลงไปคือจากร้อก็เหลือสัก5 0าอนตอย่างพระสวดาบานันนี้การาอารมณ์ยังร้อยเอยู่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 ก็จะตัดการมารมได้ภายในเจ็ชาติแต่บางคนก็สามารถตัดได้ภายในวันเดียวเวลาเดียวกันเลยก็มีพอเป็นสวสดาบันแล้วก็จเจริญอสุภะต่อไปก็ตัดได้ตัดได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความไวของปัญญาถ้าปัญญาไวมันก็จะตัดกิเลสตัณหาได้ไวถ้าปัญญาช้า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 ตายไปก็เลยต้องลงไปต่ำกว่ามนุษย์อีกถ้าทาบาปแล้วก็ต้องลงไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกคือผู้ที่ไม่รักษาสีห้านี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายก่อนจนกว่าจะใช้บาปหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่รอบใหม่ได้มาอยู่กับคนดี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 หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าตักสรุแล้วพอทรงประกาศธรรมสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็มีผู้บรรลุ ก, กันเป็นจํานวนมากเลยขั้นต้นการพระประจัจจวัคคีทั้ง5ทรงแสดงธรรมตรวจพระประจัจจวัคคีเพียงสองสามครั้งท่านก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หดเพราะท่านได้เห็นอริยสัจสี่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 หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะหลุดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียร น, นะถ้าขี้เกียจก็อาจจะไม่ทันกับเวลาก็ได้เพราะชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้าเรามัวผันวันประกันพรุ่งไว้วันหน้าไว้ปีหน้าค่อยเข้าวัดปีนี้ขอเที่ยวก่นอนยังแข็งแรงอยู่อันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามัน มันป่วยไข้ขึ้นมากระทันหันมันไม่มีใครรู้นะบาทีอยู่ดีๆมันก็เจ็บขึ้นมาพอไปหาหมอหมอบอกโอ้ตายแล้วเป็นมะเร็งนะเน้นอย่าประมาทท้าสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เราเล่นความเพียรไม่ให้ประมานนอนใจพอเราเล่นความเพียรแล้วเดี๋ยววงานของเราก็เสร็จงาน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 ครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคําถามข้อแรกจากคุณวิลาลัยนะครับการดูจิตใช้สติปัญญาตัด ก, กิเลสได้ชั่วคราวถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วใช้อุเบกขาตัด ก, กิเลสได้ถาวรเราจําเป็นต้องเรียนใช้การดูจิตหรือไม่และถ้าเรียนอุเบกขา เ, เวขา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 ไปหาแฟนมันก็กลับมาสู่อุเบกขาได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาแฟนอีกต่อไปอันนี้ต้องใช้ใ ช, ใช้ใช้หลายอย่างรวมกันแต่ว่าดูจิตก็ใช่เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่จิตอริยาาสัจสี่มันอยู่ที่จิตนิโรธก็คืออุเบกขาเวลาไม่มีความทุกข์นี่จิตก็เป็นอุเบกขาพอเกิดตัณหาขึ้นมาจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาคือมรร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 ใช้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือใช้การพิจารณาธรรมอย่างที่ได้เทศไว้เมื่อกี้นี้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายถ้าพิจารณ์มันก็จะดึงใจให้เข้าข้างในพอเข้าข้างในใจสงบปับ๊บมันก็จะเห็นใจเห็นความสุขว่าอยู่ที่ใจนี่มันจะเห็นใจแล้วว่าเป็นตัวปัญหาใจจะสุขใจจะทุกข์มันอยู่ข้างในนี้เองนี่เรียกว่าการดูจิตเราจะดูจิตได้อย่างจริงแท้ต้องต้องได้สมาธิก่อน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 ต, ต้องรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาแล้วทีนี้นะจิตเข้าข้างในแล้วเห็นข้างในแล้วดูจิตได้แล้วอย่างนี้จะดูจิตจริงถ้าดูจิตแบบที่ยังไม่มีสมาธิก็เหมือนบางเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็เห็นเห็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยากจะให้มันหายไปมันก็หายไม่ได้เพราะอยู่ข้างนอกเหตุการณ์มันอยู่ข้างในต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือตัณหามันอยู่ข้างใน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 มีสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ก็ไม่ม hmm. <ichi> ีป <K> ัญหาอย่างไรปัญหาของคนที่ก็เคยชอบไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยทำไมตัวเองไม่ไม่อยากให้ตัวเองสวดบ้างชอบไปให้แม่สวดอยากให้อยากให้แม่อยากให้ลูกไม่เคยดูตัวเองเลย คำถามข้อต่อไปจากคุณใจชุ่มนะครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีแนวทางในการเริ่มปฏิบัติอย่างไรสำหรับเด็กเล็กๆ 5-7 ถึงขวบเพื่อให้เขาสามารถเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปัจจุบันก็ได้พาไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแต่เด็กๆ ก, ก็ยังนั่งสมาธิไม่ได้และมีพาไปบาเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้างทาความสะอาด ลบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําแนวทางที่ถูกต้องด้วยค่ะก็ทำที่ทำมาก็ถูกแล้วคือเราก็ต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราใส่บาตรลูกก็ก็ใส่บาตรตามเราเรานั่งฟังเทศเขาก็ฟังเทศตามเราเรารักษาศีลเขาก็จะรักษาศีลตามเราเราไหว้พระสวดมนต์เขาก็จะไหว้พระสวดมนต์ตามเราเราเป็นบุพก า, ารย์ของลูก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 อย่างนี้สอนไปก็เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปูบอกให้ลูกปูเดินตรงๆแต่พ่อแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาแล้วลูกมันจะไม่เดินเฉยตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกเป็นอย่างไรก็เราต้องทำตัวอย่างนั้นเพราะลูกเขาจะเรียนจากเราเขาจะเอาแบบเรานี่คือวิธีของพ่อแม่ที่จะสอนลูก อตอนนี้มีรถของผู้ใดนะครับกอชหนึ่งสี่สามระยองนะครับกระบะสีฟ้าช่วยเลื่อนรถ ด, ด้วยนะครับขวางขวางครับพ <c oughs> ระอาจารย์ครับช่วงนี้นับวันนะครับยิ่งใช้ใช้อุบายในการนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่างๆนะครับยิ่งเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าเราจะทำ อ, องานทํามามากน้อยแค่ไหนยิ่งเปรียบเทียบเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งกลายเป็นผ้าคิริลุเรายิ่งกลายเป็ น, ปนตอนนี้เหลือแต่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วครับพระาอาจารย์ถ้าหากนำไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็หลงไปว่าเฮ้ยเราทํางานเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็จะหลงไปแต่ถ้าได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เนี่ยเราเป็นแค่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆเองครับพระอาจารย์ก็ดีไงการที่เรารู้ว่าเรายังโง่อยู่นี่ท่านบอกว่าเป็นมีโอกาสที่เราจะฉลาดได้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 เช่นเรากำลังแปลงฟังนล้างหน้าทำอะไ ร, ร, รยอยู่เราก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เฝ้าดึงใจผูกใจไว้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราคือเราคิดระหว่างที่เราเราคือถ้าพระอาจารย์หมายความว่าให้เราตามดูกาย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 อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจไม่ลอยไปลอยมาก็การใช้บริกา ร, รพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันไม่ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปควบคู่กับการกระทําของเราอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆตอนนี้เรายังไม่มีกําลังที่จะไปตามดูเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราตามดูแล้วมันก็จะไหลาตามเข้าไป ไหลแล้วก็เบรกไม่อยู่เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความหุ่นวายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของความคิดเราเกาะติดอยู่กับร่างกายกาติดอยู่กับพุทโธพุทโธอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่เกาะติดไว้เวลานั่งสมาธิมันก็ลอยไปลอยมาอยูน่นะ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 ใจไปอยู่กรุงเทพแล้วเรือไปอยู่อาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวที่นู่นใจมันไปถึงนู่นแล้วดึงมันกลับมานะให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับความว่างแล้วใจจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี่แหละเพราะความว่างจะทำให้ใจเป็นอุบเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง พอไม่มีเบิดาไม่มีความ ร, รักแช่งกลัวหลงมันก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใจก็จะเย็นจะสบายยิง่งถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องขยนันเจริญสติอันนี้เป็นงานสำคัญอย่างมากสติเป็นผู้นำทำทั้งหลายถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิก็จะตามมามีสมาธิปัญญาก็จะตามมามีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จะตามมา ถ้ไม่มีสติแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นปฏิบัติไปกี่ปีกี่ชาติมันก็ไปไม่ถึงไหนทันทีทำปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆที่ว่าคิดว่าปฏิบัติได้แต่มันปฏิบัติข้ามขั้นต้นบางทีไปขั้นปัญญาโดยที่คิดว่าเป็นปัญญาความจริงมันเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะต้องสงบมันต้องตั้งมั่น เป็นอย่างให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปทั้งวันเนี่ยะร้บพิจารณาได้รับรองไนดะ้ว่าจิตมันจะต้องสงบตั้งงมันได้อย่างที่พระเจ้าสอนใหพระอนุนพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันนี้เป็นอุบายสอนพระอนุนให้เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิตามลําดับต่อมาแล้วก็จะได้ปัญญาด้วยเพราะนี่เป็นปัญญาอบรมสมาธิเอง ความรู้ว่าเกิดมาต้องต้องแก่เจ็บตายนี่อันนี้เรียกว่าปัญญาเพราะอันนี้เห็นอันนี้จังเห็นอนัตตาแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ยันต้องขอให้ปัายาเจริญสติให้มากๆถ้าใช้ปัญญาเจริญสติได้ก็จะได้สองสองกระโถเลยยิงนกตัวยิงนกยิงนกสองตัวด้วยกระสวนลูกเดียว รือถ้าจเจริญปัญญานี้จะได้ทั้งสมาธิและจะได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าจเจริญอานาปนสติหรือบริกรรมพุทโธห ร, รือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็จะได้สมาธิเพียงอย่างเดียวได้สติได้สมาธิเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะต้องเห็นอนิจจ์เห็นทุกขงังเห็นอนัตตาจะเห็นได้ก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย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 มีประสิทธภาพอย่างนี้มีความสามารถอย่างนี้มีผู้ที่ซื้อไปแล้วมารับรองก็คือพระอาลานต่สาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มารับรองว่าเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่วิเศษคือมากผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือทานศีลภาวนา พอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเราทุ่มเทมันก็จะได้ผลนี่คือความหมายของศรัทธาพระอาจารย์ครับเกิดเป็นคนไทยโชคดีครับมีเรื่องให้ทดลองจิตเยอะครับจากเรื่องเด็กโดนกลมขืนบนรถไฟครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องโค้ชเชลแล้วครับเทควันโดคนกําลังลุมด่ากันทั้งประเทศ อ่าไฟได้ฝ่ายหนึ่งครับอาจารย์โรคนี้ก็เป็นโรคของอ่าโรค ก, กรรมแปดเนี่ยเกิดโรคของการเจริญเสื่อมเจริญและเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขมีลาบก็ต้องจะมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจะไม่หลงยินดียินร้ายกับ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 ถ้าไปยึดติดแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็จะเป็นทุกข์อยากไม่ได้ยินกับกรลหานินทาก็จะเป็นทุกข์เวลาได้ยินแต่ถ้าไม่มีความอยากใครจะกรหานินทาก็เฉยๆใครจะสรรเสริญก็เฉยๆนี่ก็ลักษณะของหยดน้ำบนใบบัวเป็นอย่างนั้นการที่จะทำใจให้เป็นใบบัวได้ก็ต้องมีอุเบกขา การจะมีอุเบกขาได้แจ่มท้ามวันก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเฉะนั้นผู้ที่มีมีรมแล้วจะจะรู้ทันโลกเนี่ยนั่นเรียกว่ารู้รู้โลกโลกกับวิถีพระพุทธเจ้าเป็นโลกกับวิถีพระพุทธเจ้าไม่หลงโลกเหมือนพวกเราพวกเรายังหลงกับลาบยศสรรเสริญสุขอยู่เวลาได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี้ดีอกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันสามวันสามคืน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 ของจิตของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญญาถ้าจิตของพระอริยะเจ้าของพระอราหันต์ของพระพุทธเจ้านี้จะเฉยๆกับโลกธรรททั้งแปดอันนี้ก็คือเรื่องของอ่ะมีคำถามต่อเนี่ยจับไมโครโฟนต้องเปิดไมค์ด้วยนะมีสวิต มาเวยฮัลโหลค่ะ เ, เ, เ, เ, เวลาปฏิบัตินะคะช่วงหลังๆนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มล้าๆลงอาจจะเป็นเพราะว่าสมาธิที่มันน้อยลงคือช่วงนี้ต้องครุกคลีต้องคือฟุ้งซ่านค่อนข้างมาก มันทาให้การดูมันจะดูเหมือนดูส่งๆเช่นอย่างสมมติว่าเวลาร่างกายอยากจะขยับก็จะเห็นแบบส่งๆหรือเวลาเห็นเหมือนเวลากโกรธวาบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูส่งๆเออดูผ่านๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูแต่คราวนี้พอดีเพื่อนบอกว่าเออต้องดูให้จนจบแล้วก็เหมือนกับสอนมันว่านี่นะมันดับแล้ว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 ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเช่นสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเข้าวผัดมาให้อย่างนี้นะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาข้าวผัดมาข้าวผัดก็ได้กินข้าวผัดก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับความอยากของเราว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเอาเอาข้าวผัดมาให้ก็จะโกรธเี่ยกตัวอย่างไม่ว่าทําอะไรอย่าทําด้วยความอยากทําด้วยเหตุผลแล้วก็อย่าไปยึดติดกับผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะต้องได้ตามที่เรา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 ความแสงที่จะดูตรงนี้ไหมคะหรือว่าก็ดูอย่างนั้นไปอดทนดูไปจิตเรามันอยู่ในช่วงที่มันมันตกต่าเพราะเราไม่ได้เจริญสติพอไม่แล้วมันไม่มีอะไรให้มันมีความสุขมันก็เลยรู้สึกเบื่อๆหน่อยๆดังนั้นเราต้องมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็จะหายไปตอนนี้เราแบบว่าปล่อยใจให้มันไหลไปตามอารมณ์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 พระอาจารย์คือขณะที่อาจารย์เทศก็นั่งสมาธิในการฟังก็ฟังแล้วรู้สึกว่าอืสมาธิมันยังไม่แนบแน่นแต่ก็อยู่พักหนึ่งก็กำหนดการได้ยินไม่ได้กำหนดคือล้วนได้ยินแล้วก็เข้าสมาธิก็รู้สึกว่า มันได้สมาธิถึงความนิ่งสงบได้ยินพระอาจารย์ชัดเจนเสร็จแล้วพอขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าความปวดขึ้นมาละแต่ด้วยความที่ความปวดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าความปวดเนี่ยเคยผ่านาการที่มีจิตตั้งมั่นในการดูความปวดจนันกับแล้ตอนนี้มันมาปับ๊บก็รู้สึกว่าเราต้องกําหนดเรื่องความปวด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 ถ้าเราแช่น้ําไว้เดี๋ยวๆเพราะออกมาความเย็นมันก็จะหายไปเร็วเราต้องการมีอุเบกขานานานหลังจากออกจากสมาธิมาเพื่อที่เราจะได้หนึ่งใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่พิจารณาธรรมไม่ได้พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมให้พิจารณากิเลสมันจะดึงให้เราไปพิจารณารูปเสียงกินริยทันที สังเกตดูเวลาออกจากสมาธิถ้าสมาธิไม่ไม่ลึกไม่หนักไม่แน่นออกมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวละเดี๋ยวอยากจะดืม่มนั่นอยากจะรับประทานในนี้แล้วนี่เรียว่ากิเลสออกมาละกมามฉันทะมาละแต่ถ้าจิตมีอุเบกขามากเนี่ยออกมามันจะไม่หิวมันจะเฉยเฉยแล้วเวลานั้นเราก็จะได้พิจารณาปัญญาได้พิจารณาอาการเกิดแก่เจ็บตายอาการสาสบสองได้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 ของความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรพอร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาความรู้นี่อยู่พอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะตกใจเข้าใจไหมองนั้นตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิไปนานๆให้จานานให้เก่งอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เข้าแล้ก็ให้มันอยู่นานๆ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 มันเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ จ, จะไม่ทุกข์กับมันถ้ามีปัญญาอันนี้ก็มีคำถามหลายข้อก็ดีสแสดงว่าฟังแล้วมีอะไรซึมซาบเข้าไปในใจไม่ได้ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงฟังแบบเล้นกับแกงมีกครอยากจระถามไหม ถ้าไม่มีก็อ้ายกมือขึ้นมาเข้ามาเลยอย่างน้ภาษัมัครับนักศกาอาจารย์คือ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 เพราะว่าการนั่งเนี่ยสำคัญมากกว่าการเจริญคือการเจริญสตินี่สำคัญแต่จะไม่ได้ผลเท่ากับการนั่งการเจริญสตินี่สำคัญเพราะถ้าไม่มีสติก็จะนั่งไม่ได้ถ้าเรามีสติแล้วเราต้องนั่งเอาสติมาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วใจจะมีพลังมีความสุขแล้วทีนี้จะไม่มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับอะไรต่าง ้จิตก็จะเห็นเวลาผ่านไปเพราะเวลาจิตนิ่งนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแต่เวลาจิตไม่นิ่งนี้มันไหลไปกับเหตุการณ์มันก็เลยไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปแต่พอเราจิตเราเน่งเราเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมม <grammar. S 3> ทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลเข้าไปสู่ความจบจุดจบของมันมันก็จะทาให้เราตรงได้ไม่ให้ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง